เลคือเหตุแห่งสุขในโลกนี้ซัพย์หรือถ้าซัพย์เป็นเหตุให้เกิดสุขจริงเหตุฉไหนผู้มีซัพย์นับประมาณไม่ได้จึงมีความทุกข์อย่างสาหัสความสมหวังในความรักหรือถ้าความสมหวังดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความสุขจริงฉไหนผู้ที่สมหวังมาแล้วจึงกลับค่ากันเพราะความรักนั้นหรือบางลายไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ต้องแตกแยก